พระธรรมตา ม, ตามพระใจปิด ก, ดกครั้งที่แปเจขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติทรงทําให้แจ้งทรงแสดงประกาศเปิดเผยเพื่ออนุเคราะห์แก่หมู่เวนยสสัตย์ทั้งหลาย ขอนอบน้อมแด่โม่พระอริยสงฆ์จ้าทั้งหลายผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระชินวรทรงตรัสไว้แล้วขอความสุขสวัสดีจงมีแก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย<อ>ขึ้นต้นยอมผู้การก็กล่าวถึงว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมกลัวตาย<อ>คือเป็นความคิดของชานุโสีพรามเป็นพรามคนหนึ่งอะ เขาคิดว่าโอ้คนเกิดมาในโลกเนี้ยที่ไม่กลัวตายไม่มีลอกพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีบางคนก็กลัวตายบางคนเขาก็ไม่กลัวตายอ่ะแล้วคนกลัวตายทําไมเขาจึงกลัวตายอ่ะเพราะอะไรเมื่อกี้กลัวในครั้งหนึง่งเพิ่งจบไปเมื่อกี้สอบผ่านแล้ว น, นะะหนึงหน่งนะที่กลัวตายก็เพราะติดในกามยังติดใจยังเพลิดเพลินยังพอใจยังสนุกสนานคลื่นเคร่งกับกามอยู่ ซื้อรถมาใช้ยังไม่นานเลยแต่งงานไม่นานเลยอาจจะตายแ ล, แล้วเพิ่งมีลูกอย่างเงี้ยครับว่าติดในกามนะติดในรูปเสียงกลิ่นรถโทรทัศผ้าอันนี้แหละเสร็จแล้วก็ยังยังไม่ทันอิ่มอ่ะนะอ้าวจะตายแล้วหรือไม่อยังงี้เรียกว่าเหตุหนึ่งที่ทําให้กลัวตายก็เพราะติดในกามสองติดในกายยังหนุ่มยังสาวอยู่เลยเนาะอายุยังไม่มากนักหนุ่มน้อยสาวน้อยนี่ก็ขนาดหนุ่มยังน้อยเต็มทีก็ยังห่วงเลยนะ เขาเรียกว่าติดในกายยังเสียดายยังอะไรกายนี้อยู่อันนี้ก็เป็นเหตุต่างที่สองที่ทําให้กลัวตายสามอะไรเมื่อกี้ทําชั่วไว้เยอะอะุ้ยคนทําชั่วไว้เนี่ยเขาบอกว่าคนทําชั่วนะตายไปแล้วสู่อาบายทุกขติวิณิบัตินรกไอเราคนหนึ่งในนั้นด้วยที่ทําชั่วถ้านรกมีกว่าเรานั่ยแหละไปในคือเรียกว่ากลัวนรกกลัวอาบายทุกขติวิณิบัตินรกแล้วกลัวตัดเดราชานอย่างนี้ใช่ไหม อันนี้ก็เป็นเหตุที่สามที่ทําให้กลัวตายสุดท้ายผู้ที่ศึกษาประธรรมคําสอนก็ยังเครือบแคลงสงสัยอยู่อย่างเช่นถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยสงสัยในวินัยสงสัยในอาบัติสงสัยในข้อปฏิบัติไม่สามารถที่จะชําระได้จะตายแล้วเหรอเนี่ยส ม, มุน่ะไปเป็นอาบัติข้อใดข้อหนึ่งยังไม่ทันได้ปลองเนี่ยอา้าวจะตายล้วถ้าอย่างนี้ก็ชักเดือดร้อนใจเหมือนกันหรือว่า ผู้ที่ยังเครือบแคลงสงสัยอยากจะถามปัญหาธรรมะอยากจะศึกษาหรือว่ายัางสงสัยปัญหาธรรมะสงสัยในทำคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ยังเคลียร์ไม่จบเลยอ่ะจะตายแล้วพวกนี้ก็กลัวตายยอมหลายคนนะกาลังมาเริ่มหันมาศึกษาธรรมะจริงๆยังจังเอออย่าเพิ่งตายนะเ่มือนนขอเรียนธรรมะอีกหน่อยเถอะโูการก็บอกว่าผมยังกลัวเลยใช่ไหมนั่นแหะแล้มาก็กลัวเหมือนกันบางครั้งบางครั้งก็ไม่กลัวกลัวเป็นพักๆ วันไหนกุศลจิตเกิดบ่อยๆนะไม่กลัวแล้วตายก็ช่างคงไปดีแน่แต่ถ้าวันไหนอกุศลจิตมันเกิดมากๆนะอย่าพึ่งตายเลยเดี๋ยวทํำกุศลอีกนิดนึงถ้าคนที่ไม่กลัวตายก็คือคนที่ไม่ติดในกามหนึ่งนะสองไม่ติดในกายสามเขาทําบุญไว้เยอะะโอ้สวรรค์เขาทําไว้สําหรับคนมีบุญไอ้เราก็บุญมากมๆจะไปกลัวอะไรกับแค่ตายใช่ไหมคนเขามีบุญมากๆเขาก็ไม่กลัวตายแล้วก็สุดท้ายคนที่ มีจิตใจมั่นคงตั้งมั่นอยู่ในศัพ์ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคนเหล่านี้ก็ไม่กลัวตายวันนี้ตั้งใจว่าจะเอาพระ ส, สูตรเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อคุณแม่มาตาปิตตอุปัฏฐานังปุตธาราสัง่งกะโหอนากลาจกรรมมันตาเอตัมมังคามุตตามังได้ยินนะการบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นอุดมมงคลเป็นเหตุให้ถึงความเจริญที่สูงสุดอย่างหนึ่งนั่นกัน โยมหลายคนที่นี่ฟังแล้วก็เป็นคนมีความกระตันยูหลายคนเลยนะบางคนก็พาแม่มาฟังพามด้วยผูดธรรมะให้แม่ฟังไม่ได้พามาฟังเอาก็ยังดีเหมือนกันมันก็แสดงว่าหนึ่งก็ในความเป็นผู้ที่มีความกระตันยูกระตะเวทีผู้ที่บำรุงเลี้ยงดูคุณของมารดาบิดาแต่ในขณะนั้นบางคนนะะเขาก็ไม่มีความกระตันยูกระตะเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่ถือว่าเป็นคนที่ ไม่บำรุงเลี้ยงดูพ่อแม่เราไม่ว่าคนยุคนี้เราไปดูคนสมัยโบราณดีกว่าคนสมัยโบราณที่เขาไม่เลี้ยงดูพ่อแม่อย่างเช่นในสมัยพุทธกาลเนี่ยทีนี้ก็มีพราหมณ์ในสมัยพุทธกาลนะพราหมณ์คนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีสมบัติประมาณแปดแสนแปดแสนสมัยโน้นกับประมาณแปดสิบล้านสมัยนีย้รวยมากเพราะว่าวัวตัวงไม่กี่บาทอย่างเงี้ยเงินแปดแสนเนี่ยถือว่าเยอะแล้วนะก็เป็นวันละพรามณ์ แล้วก็ทําอาวาหะมงคลแก่ลูกสี่คนเขามีลูกชายอยู่สี่คนด้วยกันก็หาเมียให้ลูกครบทั้งสี่คนแล้วก็แบ่งทรัพย์ให้ลูกเลยคนละแสนคนละแสนต่อมาพราหมณีคือภรรยาของเขาของพรามณ์คนนี้ก็ทําการละตายนี้จากไปอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีก็ยังตายหนีจากกันได้ให้ทําบุญคนเดียวเลยเงาเลยคนนี้ไปไหนไม่มีเพื่อนเลยพราหมณีก็ตายหนีจากไปแล้ว พวกบุตรก็เลยปรึกษาพร้อมใจกันว่าหากพ่อเรานี้จะไปนำนางพรามณีคนอื่นมาใช้อำนาจแห่งบุตรทั้งหลายที่เกิดในท้องของนางตระกูลก็จะแตกทำลายฝ่ายลูกนี่ก็ยังห่วงอีกกลัวพ่อจะไปมีเมียน้อยอหรือมีเมียใหม่ถ้ามีเมียใหม่ปั๊บมันก็เป็นลูกเมียใหม่ลูกเมียหลวงลูกเมียเก่าลูกเมียใหม่นะทีมันก็โอ้มันวุ่นวาย ลูกก็เลยวิตกกังวลใจเอ๊ะยังไงนะพ่อของเราจะได้ไม่ไปมีเมียใหม่อีกครั้งหนึ่งเอาเถอะพวกเราช่วยสงเคราะห์พ่อกันแล้วกันลูกๆ ก, ก็ดีๆเนะปรึกษาจะเลี้ยงดูพ่อแม่หลังจากนั้นพวกเขาก็บำรุงพรามผู้เท่านั้นด้วยปัจจัยมีอาหารเครื่องนุ่งห่มอันประณีตเสื้อผ้าดีๆก็เอามาให้พ่อใช้อาหารอร่อยๆที่อยู่อาศัยดีที่รับที่นอน เอาอกเอาใจคอยบีบคอยนวดเอาใจพ่ออย่างนี้เลยที่นี้หลังจากบำรุงแล้ววันหนึ่งเมื่อพราหมณ์เท่าเนี่ยผู้เท่าลูกหลานเลี้ยงดูดีวันหนึ่งก็หลับกลางวันพอหลับกลางวันลุกขึ้นจึงนวดฝันมือและเท้าก็เลยพูดถึงโทษของคาราวาสต่างๆโอ้ยเป็นคาราวาสเนี่ยมันกิจมากพะหุกิจาใช่ไหมกิดวาดคนโน้นคนนี้เรื่องราวที่เป็นที่กังวลใจนี่มีเยอะ แล้วก็วิงวอนพ่อว่าพ่อพวกผมจักทํานุบํารุงคุณพ่อโดยทํานองนี้แหละตลอดชีวิตขอคุณพ่อโปรดให้ทรัพย์แม้ที่เหลือแก่พวกผมด้วยเถอะครามนี่มีเงินแปดแสนจะไมาแจกลูกไปคนละแสนก็เหลือสี่แสนทีลูกก็บีบนวดประจบประแจงเอาอย่างนี้ลูกพ่อเอ้ยเก็บไว้ทําไมพ่อพ่อก็แบ่งแบ่งไว้ลูกไปถ้าอย่างนั้นพ่อไม่ต้องห่วงหรอกนะการเป็นอยู่เลี้ยงดูเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้หมดแหละ ทามก็เลยใจอ่อนโอ้ลูกเรานี่คงไม่ทิ้งเราแน่ก็เลยให้ทรยาบแก่ลูกอีกคนละแสนแล้วก็แบ่งเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งหมดแบ่งออกเป็นสี่ส่วนให้ลูกเหลือไว้แต่ผ้านุ่งผ้าห่มพอนุ่งห่มตัวเองก็เอาละพอละลูกเราเนี่ยก็ดีแต่ละคนดีดีโหจบการศึกษาเราเรียนกันหมดแล้วแบ่งทรัพย์สมบัติให้หมดเราก็คงสบายจะได้ไม่ต้องมีภาระวิตกกังวลอะไร ก็เป็นแผนของลูกอ่ะนะพ่อจะได้ไม่มีทรัพย์พอไม่มีทรัพย์จะได้ไม่คิดจะมีเมียน้อยอีกแล้วลูกก็ทําใจไว้ว่าจะเลี้ยงเองละงั้นพ่อนี้ก็ไปอยู่กับลูกคนหัวปีมีลูกชายคนโตอ่ะนะหัวปีลูกชายคนหัวปีก็เลี้ยงดูพราหมณ์นั่นแหละสองสามวันคือหลังจากที่เป็นพราหมณ์ผู้เท่าไม่มีทรัพย์นั่นใหมสังเกตดูนะยุคนี้ก็คล้ายๆกันนั่นแหละถ้าหากว่า ผู้เท่าเนี่ยนะคนสูงอายุที่มีทรัพย์สินหน่อยนะมีสตังเยอะเนี่ยโอ้ลูกหลานเนี่ยเข้าออกไม่ทั้งหน้ากันเลยนะคอยมาบีบมานวดเอาใจคุณแม่ทานอันโน้นไหมคุณย่าทานนั้นนั้นไหมย่าไปเที่ยวน้นไหมอะไรเงี้ยเอาใจกันหน้าดูเลยนะแต่พอไม่มีสตังแม้แต่บาทเดียวเข้ากลายเป็นผู้เท่ายากจนอนาถางนั้นต่อมาวันหนึ่งอลูกสะพ้าะนะลูกสะพ้ยเมียคนหัวปีเนี่ย ก็ยืนอยู่ที่ซุ้มประตูก็พูดกับาพามผู้เท่าคือหลังจากาพามผู้เท่าไปอาบน้ำก็เดินมาลูกสะใภ้เนี่ยก็มาว่าเลยทรัพย์หนึ่งร้อยหรือหนึ่งพันที่คุณพ่อให้แกบุตรคนหัวปียิ่งกว่าลูกทั้งหลายมีอยู่หรือคุณพ่อให้ทรัพย์แกลูกทุกคนและคนละสองแสนไม่ใช่หรือฉะนั้นคุณพ่อจึงไม่รู้จักทางไปบ้านของคนอื่นที่เหลือบางล่า ลูกสะภ้ายเนี่เอาเลยอย่างนี้เพราะว่าพ่อผัวเลยก็ให้คนละสองแสนสองแสนก็อยู่บ้านนี้มาตั้งหลายวันแล้วพ่อไม่รู้จักบ้านไม่รู้จักทางไปบ้านลูกคนอื่นบ้างหรือไงพ่ อ, อลูกสะภ้ยยายได้ก็ว่าเลยนะเขาวางแผนกับสา ม, มีไว้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยเอามาว่าพ่อผัวทีนี้พามผู้เท่ากัมพาเมียแล้วลูกก็ไม่เลี้ยงดูก็เลยคุกคามกับกับลูกสะภ้ยว่าอีหญิงถ่อยมึงจงชีบหาย ก็ด่าให้สักชุดหนึ่งโกรธแล้วก็ไปเรือนลูกคนที่สองไปอีกอยู่กับลูกคนที่สองอีกสองสามวันก็ถูกลูกสะพายเนี่ยไล่ให้ตะเลิดเปิดเปิงจากบ้านนั้นไปอีกพ่อว่าไงพ่อก็ให้คนละสองแสนแล้วเนี่ยพ่อก็ไปบ้านอื่นบ้างติมาอยู่ทําไมบ้านนี้นานนักอะ่ะอุบายอย่างเงี้ยก็ไปเรือนลูกคนที่สามสะพายคนที่สามก็ว่าอย่างนั้นอีกไปเรือนคนที่สี่ไอ้ลูกคนที่สี่ก็ว่าอีคราวนี้จะไปยังไงมันหมดทุกบ้านแล้วใช่ไหม คือเขาล่แล้วยามมีทรัพย์ทุกคนก็นับเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นย่าเป็นพี่เป็นน้องแต่พอหมดทรัพย์ไปแล้วก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายในยุคที่คนบูชาทรัพย์สินก็จะเป็นลักษณะนั้นซึ่งไม่มีคุณธรรมหลังจากพราหมณ์ผู้เท่าไม่ได้การเข้าไปในเรือนแม่แต่หลังหนึ่งด้วยประการชะนี้ไปๆมาๆเนี่ยพึ่งลูกไม่ได้แม่แต่คนเดียวนะเจ็บใจมาอุตสาหแบ่งทรัพย์ให้คนละสองแสน เป็นเศรษฐีมันก็เลยลืมกันด้วยประการเชนนี้ก็เลยทําไงอ่ะยอายาก็บวชสิอย่างนั้นหมดทางไปแล้วก็เลยบวชเขาก็บวชเป็นชีบะขาวเอาผ้าขาวนี่มาหม่มเขาไม่ได้นับถือผู้าศาสนาเขาก็แบบคนทั่วไปอ่ะนะก็มีกระเบื้องอันหนึ่งอนะเที่ยวขออาหารอยู่ล่วงการผ่านไปหลายวันเข้าร่างกายก็ทุดโทมลงไปเพราะชารา สริราก็เศร้ามองไม่มีโภชนาหารดีๆที่จะมาบริโภคที่หลับที่อยู่ที่นอนก็ลําบากไปหากับข้าวกับปลามาก็ทุกข์ลำบากจะอิ่มแต่ละมือแต่ละมือก็อยากเพราะมันขอทานแล้วนี่จากเศรษฐีมาเป็นขอทานลูกไม่เลี้ยงไม่มีที่ไปเลยอ่ะมีหน้าเนาะพ่อแม่หลายคนก็เลยไม่ยอมแบ่งมรดกให้ลูกก็ทิ้งตายแลย้วมันก็แย่งเอากันกันแล้วกันเดี๋ยวมันไม่เลี้ยงเราอ่ะนะบางคนก็กลายเป็นชิดอย่างนั้นไป เอออย่างว่านะลูกไม่ดีก็ทําให้พ่อแม่ก็มีความทุกข์ใจไปเองทีนี้หลังจากที่ไปเที่ยวขออาหารมาได้กินเสร็จแล้วก็นอนนอนแล้วก็หลับไปตื่นขึ้นมาก็มองดูอัตภาพของตนเลี้ยวไปเลี้ยวมาก็มีความกังวลกระวายเรือเกินเพื่อนคุยก็ไม่มีแล้ว่ะนะหลังจากที่ลูกไล่ออกมาจากบ้านตั้งหลายวันแล้วเนี่ยไม่มีที่ไปเลย ญาติพี่บ้านเหนือน้องบ้านใต้พอจะไปพึ่งพาอาศัยก็ไม่มีทุกเลอเกินอ่ะเนะาะญาติโยมทั้งหลายถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยาจะคิดยังไงนะทําใจได้ไหมทําใจไม่ได้ก็ต้องทอําอ่ะไม่มีที่ไปแล้วเนาะแล้วก็ไม่เห็นที่พึ่งของตนในลูกทั้งหลายคิดดูเออจะไปหาลูกคนหัวปีหรือมันก็คงไม่เปิดประตูให้เราไอ้คนที่สองมันก็คงไล่เราหนีอีกไอ้คนที่สามไปมันคงด่าเราไอ้คนที่สี่ไม่สนใจเลย ก็เลยคิดว่าโอ้ยได้ข่าวมาว่าพระสมณะโคโดมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระณโคโดมเนี่ยมีหน้าไม่สยิวมีพระพักเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีกรับถ้อยคำไพเราะทรงฉลาดในการต้อนรับเราอาจเข้าไปหาพระสมณะโคโดมแล้วได้การต้อนรับเออแน่นะไปหาใครบ้างเราพอจะมีเกียรติเหลือบ้างก็เหลือแต่พระสมณะโคโดมคือไปหาพระพุทธเจ้าอะ่ะ พระ อ, องค์ยังพอทักทายปราัสพูดคุยกับเราว่างคงจะดีอ่ะเนาะเขาก็จัดแจงผ้านุ่งผ้าห่มเรียบร้อยแล้วก็หยิบภานชนะกับเบื้องขอทานนั่นแหละถือไม้เท้าแล้วก็ไปยังสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรื่องนี้ก็มีว่าแม้แต่ในคัมภีร์บางแห่งก็ยังกล่าวอีกว่าครั้งนั้นแลพราหมาสาลคนใดคนหนึ่งเป็นผู้เศ้ามองมีผ้าห่มอันเศร้ามองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงสถานที่พระองค์ประทับอยู่ ภาษาสดาก็ทำปฏิสันถานกับเขาผู้นั่งอยู่ณส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ตรัสคำนี้ว่าพราหม์เพราะอะไรเนาะและท่านจึงเป็นผู้เศร้ามองมีผ้าห่มเศร้ามองเมื่อก่อนก็ดีดีผิวพรรณสดใสเสื้อผ้าก็ดีดีทั้ง น, นั้นมาครั้งนี้ทําไมผิวพรรณเนี่ยก็เศร้ามองพร้อมพรามก็ทูลว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าพระ อ, องค์มีบุตรอยู่สี่คนในโลกนี้ เกิดมานี่มีลูกอยู่สี่คนแต่ว่าลูกเหล่านั้นนี่ถูกภรรยายุยงก็เลยขับข่าพระองค์ออกจากบ้านเขาก็ปรึกษากับลูกกับเมียเขาแล้วเขาก็ไล่ผมออกจากบ้านภาษาสดาก็ตรัสว่าพรามท่ากันนั้นท่านจงเรียนเอาคาถาเหล่านี้เมื่อหมู่มหาชนมาประชุมกันในสภาเมื่อลูกของท่านทั้งหลายนั่งแล้วท่านจงกล่าวคาถานี้เสร็จแล้วพระองค์ก็สอนคาถาไปคาถาในที่นี้ไม่ใช่เวทมนต์นะ แต่ว่าเป็นถ้อยคําที่กินใจเหมือนกันเอาคําพูดอันนี้เนี่ยไปกล่าวในถ้ำกลางสภาแล้วก็สอนคาถาเหล่านั้นไปพรามคนนั้นก็เรียนคาถาเหล่านั้นทรงจําจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปในสํานักของพระพุทธเจ้าเมื่อพวกบุตรประดับประดาด้วยเครื่องอลังการลูกหลานก็จะถึงวันประชุมสมัยของพวกพรามเก็มีพวกพราหม์คล้ายๆกับเป็นพวกสมาคมของพรามนงเหมือนคนจีนมาเมืองไทยอะ่ะ ก็เป็นสมาคมของคนจีนน่ะสมาคมโน้นสมาคมนี้ก็รวมกันใครมียศมีตําแหน่งมีฐานะใครมีแก้วมีเพชรมีแหวนก็แต่งตัวโชว์กันมาอวดกันพวกลูกของพราหมณ์ทั้งสี่คนนี้ก็แต่งตัวมาเข้าไปสู่ในสภานั้นนั่งบนอาสนะที่มีข้ามากสมควรกับตำแหน่งอ่ะนะเก้าอี้แต่ละตัวแต่ละตัวนี่งามๆนั่งแมะเข้าไปเนี่ยโหเท่มากเลยพอถึงวันประชุมนั้นเข้าพราม์เห็นป่านั้น พรามนี้ก็ได้เวลาเออขณะนี้เขากําลังเริ่มเปิดประชุมและประชุมในคนวันณะเดียวกันก็เลยตกลใจว่าเวลานี้เป็นเวลาของเราแล้วพราหมณนี้ก็เลยเข้าไปสู่ท่ามกลางสภาชูมือขึ้นกล่าวว่าอะไรว่าข อ, อกราบสภาบอกว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าประสงค์จะ ก, กล่าวคาถาแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจักฟังไหมคนวรนหนพราม์ทั้งหมดก็บอกว่า กล่าวเธอพรามกล่าวเธอพรามเราจากฟังพรามนี้ก็เลยได้ทีก็เลยกล่าวว่าข้าพเจ้าเพลิดเพลินด้วยบุตรที่เกิดแล้วเหล่าใดปราถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใดบุตรเหล่านั้นถูกภรรยายุยงรุกรานข้าพเจ้าเหมือนสุนัขรุกรานสุกรฉะนั้นลูกเนี่ยเป็นที่เจริญหูเจริญตาเพลิดเพลินใจเนี่ย ลูกเหล่านั้นเขาพร้อมกับเมียเนี่ยชวนกันแล้วก็ยุยงนี้ไล่ไล่เหมือนแปลเป็นไทยๆว่าหมาไล่หมูไม่มีที่อยู่แล้วอ่ะได้ยินว่าบุตรเหล่านั้นเป็นอาศัตบุรุษเป็นคนชั่วว่างั้นเด้อเป็นอาศรรัตรูหลุษใช่ไหมเป็นคนชั่วเป็นลูกเลวซามเรียกข้พาพเจ้า ว, ว่าพ่อพ่อ <laughs> พวกเขาคือรากสดเป็นยักษ์มาแล้วโดยรูปเหมือนลูก ย่อมทอดทิ้งข้าพเจ้าพูดถึงความแก่พูดถึงความเสื่อมเป็นลูกชั่วจริงๆอะนะปากมันก็เรียกพ่อพ่อที่ไหนได้มันเป็นรากสดมันเป็นยักษ์ที่จริงยักษ์มาในรูปของลูกใช่ไหมแหมพอมีโอกาสพอจะเลี้ยงดูได้กลับไม่เลี้ยงดูบิดาแม่ของเราผานชนเป็นคนแก่ก็ต้องเที่ยวขอทานเขากินที่เรือนของคนเหล่าอื่นเหมือนม้าที่แก่ใช้งาน ใช้การไม่ได้ถูกเขาพรากไปจากอาหารฉะนั้นม้าที่เคยทํางานขับเกวียนให้คนนั่งไประยะไกลวันหลังพอทํางานอะไรไม่ได้เขาก็ไล่นี้จากในยะว่าหรือเขาว่าไม้เท้าของข้าพเจ้าแรงยังประเสริฐกว่าบุตรทั้งหลายไม่เชื่อฟังจะประเสริฐอะไรเพราะไม่เท้าอย่างกันโคดุก็ได้ การสุนัข ก, ก็ได้มีไว้ยันข้างหน้าเวลามืดก็ได้นะคล้ายๆกับมืดๆก็เคาะเคดูมีอะไรอยู่ข้างหน้าบ้างอย่างลงในน้ําที่ลึกดูก็ได้อย่างดูน้ํามันลึกขนาดไหนข้ามได้ไหมเพราะอนุภาพของไม้เท้าคนแก่เช่นข้าพเจ้าพลาดแล้วก็กลับยืนขึ้นได้อีกสำนวนเขาว่าไม้เท้าผู้เท่าดีกว่าลูกเต้าอาัคตันยู โดยสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีวัดกันอยู่อย่างนี้พวกคนวันณะพราหม์เขาตั้งกติกากันขึ้นว่าลูกคนใดใช้สอยรัพย์ที่เป็นของพ่อแม่แต่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ลูกคนนั้นต้องถูกฆ่ามันเป็นธรรมเนียมของพราหมณ์สมัยนั้นตั้งขึ้นไว้เลยนะใครที่รับมรดกแล้วไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ต้องฆ่าทิ้งโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นลูกของพราหม์เหล่านั้นก็เลยฟุบลงแทบเท้าของพ่อที่นั่งอยู่บนเก้าอี้งามๆนั่นแหละนะ มาฟุบลงมากราบเท้าพ่ออ้อนวอนคุณพ่อครับขอคุณพ่อโปรดให้ชีวิตกว่าผมเลยเถอะไปขอถ้าพ่อปล่อยบอกว่าแล้วแต่ประชุมโชนเนอะตายแน่งานนี้เพราะฉะนั้นต้องให้พ่อช่วยแต่ก็เพราะความที่ดวงใจของพ่อเป็นธรรมชาติอ่อนโยนพ่อก็คือพ่อนั่นแหละมันก่อนก็ไม่พอใจที่ลูกทําไม่ดีมาวันนี้เออก็ไม่เป็นไร ก็เลยกล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าให้ลูกน้อยทั้งหลายของข้าพเจ้าพี่น้าเสียเลยพวกเขาจะเลี้ยงดูข้าพเจ้าอย่าฆ่าเขานะไม่เป็นไรหรอกเขาสำนึกแล้วล่ะเขาจะเอาผมไปเลี้ยงท่านทั้งหลายอย่าได้ฆ่าลูกผมเลยพรามก็ประกาศอย่าฆ่าลูกผมเลยท่านใดนั้นพวกชาวบ้านหรือพวกมนุษย์ทั้งหลายที่วันนะเดียวกันก็เลยกล่าวกับลูกของพรามคนนั้นว่าท่านผู้เจริญ ตั้งแต่วันนี้ไปหากพวกท่านไม่ประคับประคองบิดาของท่านให้ดีไซนพวกเราจะฆ่าท่านเสียเลี้ยงพ่อแง่งไม่ดีงานนี้ฆ่าทิ้งแน่บุตรเหล่านั้นก็กลัวก็เลยเชิญบิดาให้ไปนั่งบนตังโถดีจะกลับเอาไปบ้านใหม่เลยยกให้ไปสู่เรือนด้วยตนเองทาสรีระด้วยน้ำมันขัดสีให้สะอาดใช้วัตถุมีกลิ่นหอมเป็นต้นมาชโลมมาอาบน้ำชำระโฟกพ่ อ, พ อ, พอเลี้ยงดูพ่ออย่างดีเลย แล้วก็ให้เรียกพรามณีคือภรรยาทั้งหลายก็เรียกสภัายมานะว่าตั้งแต่วันนี้ไปเธอทั้งหลายจงประคับประคองบีดาของพวกฉันให้ดีถ้าเธอทั้งหลายจักมีความประมาแล้วไซฉันจักติกเดเตียนเธอทั้งหลายถ้าเธอเลี้ยงพ่อฉันไม่ดีงานนี้เธอเจอดีแน่สังภรรยาไว้ยอย่างนี้เลยแล้วก็ให้บริพวกโภชนะอันประณิตพรามนั้นอาศัยโภชนะดีและการนอนสบาย รันเวลาล่วงผ่านไปสองสามวันก็เกิดมีกำลังอินทรีย์แต่งปงมีน้ำมีนวลขึ้นสุขภาพกายดีขึ้นก็เลยมองดูอัตภาพก็เลยคิดว่าสมบัตินี้เราได้เพราะอาศัยพระสมณะโคโดมพระสมณะโคโดมพระพุทธเจ้าช่วยเรามาว่า ง, งก็เลยถือเอาผ้าคู่หนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ไปเป็นบรราการไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า มีปฏิสันฐานพระ อ, องค์ก็ทําแล้วนะส่วนข้างหนึ่งก็คือไปถึงก็พูดทักเจราจาปราศัยกันวางผ้า ค, คู่นั้นนะ่ะลงแทบบาดมูลของพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญข้าพระ อ, องค์ชื่อว่าเป็นพราหมณ์ย่อมสแสวงหาทรัพย์เป็นส่วนแห่งอาจารย์เพื่ออาจารย์ขอพระโคดมผู้เจริญซึ่งเป็นอาจารย์ของข้าพระ อ, องค์โปรดรับทรัพย์อันเป็นส่วนของอาจารย์ พระพุทธเจ้าก็เลยทรงรับผ้าคู่นั้นเพื่ออนุเคราะห์เขาหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมให้เขาฟังในเวลาจบเทศนะเวลาแสดงธรรมจบพราหมณ์นั้นก็ดำรงอยู่ในไตรสารณคมถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสาระถึงพระธรรมว่าเป็นสาระถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสาระแล้วก็กราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าพระองค์ถวายทุวพัด สองที่จากทั่วพัดสีที่ซึ่งบุตรทั้งหลายให้แก่ข้าพระองค์นั้นแด่พระองค์ก็คือมีอาหารอยู่วันละสีที่ยกให้พระพุทธเจ้าสองที่เหลือไว้ตัวเองสองที่ครั้งนั้นพระศาสดาก็รับว่าทู่พราหมณ์แต่เราจักไปสู่สถานที่ชอบใจเท่านั้นแล้วก็ส่งเข้าไปพรามณ์นั้นไปถึงเรือแล้วก็สั่งลูกว่าลูกทั้งหลายพระสมมาณโคดมเนี่ยเป็นสหายของพ่อหรือเป็นเพื่อนกันเหมนั้นเนี่ย พ่อเนี่ยถวายทั่วพัด ส, สองที่แก่พระ อ, องค์เจ้าทั้งหลายยาละเลยเมื่อพระ อ, องค์เสด็จมาถึงนะลูกทั้งหลายก็รับบทาทุคุนพ่อในวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปบิญทบาทได้ไปถึงเรือนประตูเรือนของลูกคนหัวปีของพราหมณ์เขาเห็นภาษาสดารับบาดเชิญให้เสด็จเข้าไปสู่เรือนเชิญให้ประทับนั่งณนะบาลังที่ควรแกข้ามากแล้วก็ได้ถวายโภชนะอันประนิด ภาษาสดาได้เสด็จไปสู่เรือนของบุตรพราหมณ์สิ้นตามลําดับคือวันรุ่งขึ้นของลูกคนนอกนี้วันรุ่งขึ้นของลูกคนนอกนี้วันแรกไปลูกคนหัวปีใช่ไหมวันที่สองไปลูกคนที่สองวันที่สามไปลูกคนที่สามวันที่สี่ไปลูกคนที่สี่พวกเขาทุกคนได้ทําสการะอย่างนั้นเหมือนกันทีนี้วันต่อมาบุตรคนหัวปีเมื่อทําการมงคลปรากฏเฉพาะแล้วจึงพูดกับบิดาว่าคุณพ่อครับ พวกกับผมจะให้มงคลแก่ใครคือเขาจะจัดงานเลี้ยงมงคลอ่ะจะนิมนต์ใครจะเชิญใครมากินงานมงคลนี่ดีพราหมณ์ก็บอกว่าพ่อไม่รู้จักคนอื่นพระสมณะโคดมเป็นสหายของพ่อไม่ใช่หรือไปนิมนต์เอาพระสมณะโคดมก็แล้วกันบุตรคนหัวปีก็บอกท่ากันนั้นคุณพ่อโปรดนิมนต์พระองค์พร้อมกับที่สุขห้าร้อยรูปเพื่อจะฉันในวันรุ่งขึ้นเลี้ยงพระใหญ่เลยห้าร้อยองค์ พรามนั้นก็ได้ทําอย่างนั้นเหมือนกันในวันรุ่งขึ้นพระศาสดา พ, พร้อมด้วยบริวารคือพิสุสอ์ก็เสด็จไปยังบ้านของเขาเขานิมนต์พิสุสอ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ประทับเรือนซึ่งชาบทาด้วยโคไม้สดเขาแต่งบ้านอย่างดีเอาขี้วัวมาลาดเรามองไอ้เอมจะดีเหรอสมัยนั้นก็ก็เหมือนกับสมัยนี้ยนะปูพรมอย่างดีเลยอะ่ะสมัยนั้นเอาขี้วัวแหละมาทําเหมือนพรมเดินแล้วมันนิ่มๆคล้ายๆกันนั่นแหละ เขาก็ประดับด้วยเครื่องอลังการแล้วก็อังคาดคือเอาข้าวมาทุปายาตเนี่ยไปถวายข้าวมาทุปายาตค้นหุงด้วยนมสดแล้วก็ด้วยขาทิยะอันปนิสต์อีกก็ในระหว่างแห่งพัดนั่นแหละลูกสี่คนของพรามนั้นก็นั่งในสำนักของพระศาสดาท่าทางงานมงคลก็ชวนพี่ชวนน้องชวนพ่อชวนอะไรมากันหมดแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลายประคับประคองบิดาของพวกข้าพระองค์ไม่ประมาทโปรดทอดพระเนตรอัตภาพของท่านเถอดข้าแต่พระโคดมโอ้ข้าพเจ้าทั้งหลายเนี่ยพี่น้องสีคนเนี่ยเลี้ยงดูพ่ออย่างดีแล้วนะไม่เหมือนเมื่อก่อนแน่วเมื่อก่อนเนี่ยเลี้ยงไม่ดีแต่ตอนนี้เลี้ยงพ่อดีแล้วเห็นไหมพ่ออ้วนขึ้นสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นนละ้ก็อวดพระพุทธเจ้าเลยพระาศาสดาก็ตรัสว่าท่านทั้งหลายทํากรรมงามแล้ว เชื่อว่าการเลี้ยงมารดาบิดาโบราณบัณฑิตทั้งหลายเคยประพฤติปฏิบัติกันมาแล้วเหมือนกันแล้วพระองค์ก็ตรัสมาตุโปสกะนาชาดกในเอกาทัสกันิบาตซึ่งจะเอาชาดกเกี่ยวกับเรื่องว่าแม้แต่โบราณกะบัณฑิตแม้เกิดเป็นช่างก็ยังเลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่เราทั้งหลายเป็นมนุษย์ทําไมเราจะไม่เลี้ยงดูพ่อดูแม่ ที่ยิงการเลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่นั้นเป็นประเพณีเป็นโบราณเป็นของที่มีแต่เก่าแต่ก่อนซึ่งจะขอยกข้อความในคำภีคุถการนิกายชาดกในเล่ม60มาอ่านให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องประวัติของผู้ที่เป็นเดรฉานเป็นช่างช้างก็ยังเลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่คือในเรื่องนี้ก่อนที่พระ อ, องค์จะตรัสคือเรื่องเดียวกันเนี่ยพระองค์ก็ตรัสหลายแห่งแต่ทีนี้ ในตรงนี้พระ อ, องค์ก็อาศัยภิสูุรูปหนึ่งพิกษุรูปนี้เป็นพระที่บินทบาทเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มาก็ประวัติภิสูุเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็คล้ายๆกับสุวรรณสามชาดกคือส่วนหนึ่งแล้วพระในสมัยก่อนบางคนเนี่ยเป็นลูกของคนมีฐานะพอสมควรพอมาบวชแล้วก็วงตระกูลก็ขาดไปพอวงตระกูลขาดไปพ่อแม่ก็ถูกคนอื่นเข้าโกงเอาทรัพย์ไปบ้างอะไรไปบ้าง บางคนก็ยากจนเข็นใจพิสูบบางรูปท่านก็ยังอยากจะบวชอยู่ท่านก็เลยเอาพ่อเอาแม่มาเลี้ยงดูมาบินธบาทเลี้ยงอย่างเงี้ยหลังจากนั้นพิสูบบางองค์ก็ไปว่าท่านเออพระรูปนี้ไม่ดีนะเอาอาหารที่โยมเขาถวายด้วยศรัทธาเอาไปให้ครือขัดก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เรียกมาบอกว่าดูก่อนพิสูบข่าวว่าเธอให้อาหารแก่เครือขัหดหรือพิสูปก็บอกว่าพระเจ้าข้าให้คุณพ่อให้คุณแม่ โ อ, อ้ดีแล้วพิสูจทั้งหลายแม้แต่โบราณากะบัณฑิตก็เคยทําอย่างนี้เหมือนกันนั่นแหละแล้วพระองค์ก็เรียกพิสูจทั้งหลายว่าพิสูจทั้งหลายพวกเธออย่ายกโทษพิสูจนี้เลยโบราณากะบัณฑิตทั้งหลายแม้เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานพรากจากมารดาสูบซิดเพราะอดอาหารเจ็ดวันแม้ได้โภชนาอันสมควรแก่พระราชาก็คิดว่าพวกเราเว้นจากมารดาเสียก็จะไม่บริโภค ขนาดเกิดเป็นช่างอาจจะได้กินอาหารของพระราชาอยู่แล้วอ่ะแม่ไม่ได้กินก็บอกว่าทําแม่ไม่ได้กินเราก็ไม่กินด้วยนั่นแหละพอเห็นมารดาก็ยื้อถือเอาอาหารดังนี้แลว้วพิสูจนทั้งหลายก็ทูลอาราธนาให้พระ อ, องค์นําประวัติในอดีตมาเล่าให้ฟังเรื่องเล่า ว, ว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีพาราณสีเนี่ยพระไทยไปเรียนอินเดีย น, นี่ก็เรียนที่เมืองพาราณสีซะส่วนใหญ่ ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดของช้างคนมีบุญเวียนไหว้ตายเกิดบางครั้งก็มาเกิดเป็นมนุษยบบะะษ์บางชาติก็เกิดเป็นเทวดาบางชาติก็เกิดเป็นมหาพรหมทั้งก่อนเอาพรหมนารถชาดกพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพรหมบางชาติก็เกิดเป็นเป็นอะไรครั้งก่อนก็เป็นช้างนะบางชาติก็เป็นพญา น, นาคบ้างครั้งนี้มาเป็นช้าง แสดงว่าในวัฏฏะสงสารอันยาวไกลของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็เวียนว่ายตายเกิดจากภพโน้นสู่ภพนี้จากภพนั้นสู่ภพโน้นจากมนุษย์สู่เทวดาจากเทวดาสู่เดรัจฉานจากเดรัจฉานไปนรกจากนรกไปเปรตจากเปรตมามนุษย์ก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปตามแต่กายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมมุนาวัตตีโลโกใช่ไหม สัตว์โลกก็องเป็นไปตามกรรมกรรมในที่นี้ได้แก่เจตนาเพรเรานั่งฟังเนี่ยเป็นกรรมไหมเป็นนะเป็นถ้าขยับตัวด้วยก็เป็นกายกรรมถ้าพูดออกมาก็เป็นวาจีกรรมนั่งนิ่งนิ่งคิดไปตามไปเรียกว่ามาโนกรรมอย่าคิดว่าไม่ทํากรรมนะเพราะเจตนาทุกดวงเป็นกรร ม, มะปัจจัยแต่ถ้าหากว่าเจตนานั้นเป็นกุศลและอกุศล ก็เป็นนานัขาคข่คณิกกรรมที่จะให้ผลต่อไปในข้างหน้าทั้นวิบากที่เรากําลังรับอยู่ส่วนนี้ขณะนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นผลของกรรมรับเก่าทําใหม่ด้วยนะเอาผสมปนเปนกันไปว่าตามต้องยาวอยู่แล้วเนาะทีนี้พระโพธิสัตว์บังเกิดในกําเนิดเป็นช้างในป่าหิมวันได้เป็นสัตว์เผือกปลอดเป็นช้างเผือก แล้วก็เป็นช้างเผือกมีรูปงามหน้าชมหน้าเลื่อมใสก็คือเวลาจะให้ให้อาหารใช่ไหมก็ไปเก็บอาหารดีๆก็ฝากลูกน้องเอาไปให้แม่ทีให้เป็นลูกพี่ใช่ไหมช้างทั้งหลายก็ไม่ให้แก่มานดาไปก็เคี้ยวกินเองหมดเละฝากไปให้แม่แล้วแอบกินเองซะเลยอ่ะพญาช้างนี่ก็กําหนดรู้เรื่องนั้นก็เลยคิดว่าเราจะละโครงแล้วเลี้ยงแต่มานดาเท่านั้น ออยู่กับพวกนี้ไม่ไหวพวกนี้แม่ของเราคนเดียวก็ยังช่วยเลี้ยงไม่ได้ฝากอาหารไปให้แม่มันก็ยังไม่ช่วยเลี้ยงหนีก็ได้ไม่เป็นหัวหน้าแล้วก็ตกคืนนั้นพอตกลงใจช้างอื่นหลับไม่รู้กันอยู่ก็เลยพาแม่หนีไปพาแม่หนีไปไม่เป็นหัวหน้าแล้วสละตําแหน่งจากโคลงไปไปอยู่ที่ภูเขาชื่อว่าจันโดรณนะแล้วก็พักมารดาไว้ที่ถ้าแห่งภูเขา ซึ่งติดอยู่แถบอีกข้างหนึ่งแล้วเลี้ยงดูครั้งนั้น พ, านพรานไพรชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งเป็นคนหลงทางไม่อาจจะ ก, กำหนดทิศได้จึงร้องให้ด้วยเสียงอันดังพรานป่าหลงป่าก็ทำไงร้องให้อยู่ในป่าเลยคนนี้หาทางออกจากป่าไม่ได้ตายแน่งานเนี้ยนะหมดไร้ญาติขาที่พึ่งร้องให้โ ฮ, โฮอยู่ในป่าเลย พระโพธิสัตว์ได้ยินเสียงของพรานไัยคนนั้นแล้วก็เลยคิดว่าบุรุษนี้เป็นคนไร้ที่พึ่งข้อที่เขาจะพึ่งพี่นาฏในที่นี้เมื่อเรายังอยู่ไม่สมควรแก่เราเลยโอ้ยถ้าหากว่าพรานคนนี้จะ ต, ต้องมาตายแล้วเราก็ยังอยู่เนี่ยไม่เหมาะอย่างนี้แล้วก็เข้าไปหาเธอเห็นเธอกำลังหนีไปด้วยความกลัวในพรานเห็นช้างกลัวช้างอยาวิ่งป่ารับอีกก็เลยถามมาดูก่อนบุรุษผู้เจริญ แสดงว่าช้างพูดได้ท่านไม่มีภัยเพราะอาศัยเราท่านยันี้ไปเลยเพราะเหตุไรท่านจึงเที่ยวร้องให้ร่ำให้อยู่เล่าทำไมมาร้องให้อยู่ที่นี่นายพรานก็บอกว่าข้าแต่นายกับผมเป็นคนหลงทางวันนี้เป็นวันที่เจ็ดสำหรับกับผมหาทางออกไม่เจอเลยพญาช้างก็กล่าวว่าดูก่อนบุรุษพูดเจริญท่านอยากลัวไปเลย เราจะวางท่านเอาไว้ในถิ่นของมนุษย์อย่างนี้แล้วก็ให้เขานั่งบนหลังของตนอ่ามาขึ้นหลังแล้วก็นำออกจากป่าแล้วก็กลับไปฝ่ายเขานี่เป็นคนชั่วคือเป็นคนอัทยาศัยที่เป็นคนอั ก, กตันยูเป็นคนที่ไม่สำนึกบุญคุณของคนโดยอัทยาศัยเขาก็เลยคิดว่าเราเนี่ไปถึงเมืองแล้วก็จักทูลแก่พระราชาอย่างนี้แล้วก็ ทำต้นไม้เป็นเครื่องหมายในขณะที่ขี่ช้างผ่านไปจะไม่ก็แอบหลักกิ่งไม้ไปเรื่อยๆทาเป็นเครื่องหมายทาภูเขาเป็นเครื่องไม้แล้วก็ออกไปยังเมืองพาราณสีก็ทําทางไว้หมดแล้วพญาช้างให้อยู่ในเขตไหนเรียกว่าตามธรรมชาติของนายพรานช้างมงคลของพระราชาก็ตายไปเหมือนกันในยุคนั้นนี่ยนะผ่านไปเจ็ดวันช้างของพระราชาก็ตายพระราชาก็ตรัสสั่งให้ตีกลอง ร้องประกาศว่าถ้าใครๆเห็นช้างตัวเหมาะที่ส่งเสียงร้องในที่ใดที่หนึ่งผู้นั้นจงบอกถ้าใครได้ข่าวช้างดีๆสักเชือกหนึ่งบอกด้วยนะบุรุษนั้นก็เลยเข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพข้าพระ อ, องค์ได้เห็นพญาช้างตัวมีสีเผือกปลอดเหมาะเพื่อจะทําการฝึกข้าพระ อ, องค์จักแสดงหนทางขอพระ อ, องค์ จงส่งนายหัดถาจารย์พร้อมกับข้าพระองค์ให้ไปจับช้างเชือกนั้นเถอะข้าพระองค์รู้จักช้างเผือกส่งอาจารย์ช้างไปเลยเดี๋ยวไปจับกันเลยปราชากราบคำแล้วก็สั่งว่าอ้าวพวกเธอจงทําผู้นี้ให้เป็นผู้นําทางก็นําไปยังสํานักของพญาช้างบุรุษนี้ก็พูดดังนี้แล้วพร้อมกับบุรุษนั้นก็เลยส่งนายหัดถาจารย์หัดถาแปลว่าหัดถีหัดถาก็คือช้าง อาจารย์ก็คือหัดท้าอาจารย์ก็คืออาจารย์ผู้ฝึกช้างอาจารย์ผู้จับช้างพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากก็ไปนายหัตท้าอาจารย์ก็ไปกับบุรุษนั้นเห็นช้างพระโพธิสัตว์กําลังยืนแล้วก็เข้าไปอย่างที่ซ่อนเร้นกําลังถือเอาอาหารพระโพธิสัตว์นี้ก็กําลังได้อาหารพอดีเลยฝ่ายพระโพธิสัตว์เห็นนายหัตท้าอาจารย์แล้วก็อธิษฐานขึ้นพระโพธิสัตว์เห็นปุ๊บเนี่ยรู้เรื่องทันทีเลยเดาเหตุการณ์ออกหมดเลย แล้วก็อธิษฐานว่าภัยนี้ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นชะรอยจัเกิดจากสำนักบุรุษชั่ว น, นั้นอ่ะชายคนที่เราเพิ่งพาออกจากป่าแน่นอนเลยพามาเนี่ยลำดับเรื่องถูกเลยฝ่ายเราแลคิดในตัวเองว่าเรานี่เป็นผู้มีกาลังมากสามารถจัดการจัดช้างได้ตั้งพันเชือกช้างด้วยกันเนี่ยมาสู้กันเลยฆ่าช้างได้พันตัวสบายๆเรี่ยวแรงเนี่ยขนาดนั้น ขั้นถ้าเราโกรธแล้วสามารถจะนำพาหนะของนายทัพพร้อมทั้งแว่นแคว้นให้พี่นาฏได้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันรบด้วยช้างใช่ไหมสามารถที่จะย่ํายีบ้านเมืองให้แตกกระจัดกระจายไปได้ถ้าสมัยนี้ก็เหมือนกับมีรถถังสักคันหนึ่งใช่ไหมมีอาวุธติปืนใหญ่ด้วยถล่มที่ไหนก็ได้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีเหมือนกันอ่ะนะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งก็ถล่มกันหน้าดูเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ไป เขาเอาหอกตอกศรีรษะเราเราก็ไม่โกรธช้างเนี่ยอธิษฐานจิตเลยนะอย่างนี้แล้วก็น้อมศรีรษะแล้วก็ยืนนิ่งเฉยอยู่นายหัดถาจารก็ลงสู่สะบัวเห็นความสมบูรณ์แห่งลักษณะของพระโพธิสัตว์นั้นก็กล่าวว่ามาเถอะพ่อแล้วก็จับงวงอันเสมือนกับพวงเงินในวันที่เจ็ดจนถึงกรุงพาลณสีฝ่ายมารดาของพระโพธิสัตว์ เมื่อบุตรยังไม่มาก็ท่ําควรวนว่าชรอยพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชานํำอบุตรของเราไปแม่เนี่ยลูกหายไปพักหนึ่งเนี่อรู้ทันทีเลยว่าลูกของเราเนี่ยถูกเข้าจับไปแล้วเพราะลูกเป็นลูกที่เผือกสมัยก่อนนี่แม่ยังไม่บอกก็มองดูลักษณะของลูกของตัวเองเนี่อรู้ว่าลูกนั้นจะต้องเป็นพาหนะของพระราชางั้นคนเข้าจับไปแล้วนางก็เลยได้กล่าวว่า อ้อยช้างไม้มูกมันไม้ช้างนาวหญ้างวงช้างเข้าฟ่างและลูกเดือยงอกงามขึ้นแล้วเพราะพญาช้างนั้นพัดภาคไปอันหนึ่งต้นกันเกาทั้งหลายที่เชิงเขาก็ผลิดดอกบานต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยเขียวสดแน่นอนแล้วนะพญาช้างไม่อยู่เนี่ยต้นไม้ใบหญ้าดีแน่ไม่มีช้างตัวไหนมามากินใบหญาเหล่านี้แล้วแม่นี่ก็เศร้าโศกเสียใจหวั่ พระราชาหรือราชกุมารประทับนั่งบนคอช้างพญาช้างใดซึ่งไม่มีความสะดุ้งย่อมกำจัดเสียซึ่งปัญจมิตรทั้งหลายอิสระชนผู้ประดับด้วยอาพร อ, อันงดงามผู้หนึ่งย่อมเลี้ยงดูพญาช้างนั้นด้วยก้อนเข้ามีอธิบายว่าพาระราชาหรือราชกุมารประทับนั่งไหนที่ใดคือบนหลังลูกของเราไม่มีความสะดุ้งกลัวจักทาลายเกราะของหมูข่าศึก กลายเป็นช้างอย่างดีนะเข้าสู่สนามรบได้อย่างยุคสมัยพระเนรสวนมหาราชเนะี่ยเขารบด้วยช้างกันวันนี้พวกเขามีอาพรอันล้วนแล้วด้วยทองคำย่อมเลี้ยงพญาช้างของเรานั้นด้วยก้อนเข้าพอไปอยู่ในเมืองแล้วเป็นช้างไม่ได้กินหญ้าแล้วไปกินข้าวแทนฝ่ายนายหัตถาจาร์ดาเนินไปในระหว่างทางก็ส่งสารไปถึงระราชา พระราชาก็ตรัสสั่งให้ตกแต่งพระนคร น, นายหัตถาจารก็นำพระโพธิสัตว์ที่เขาประป ร, ปรมด้วยของหอมประดับตกแต่งแล้วก็เข้าไปยังโรงช้างให้ล้อมด้วยม่านอันวิจิตรให้ผูกเพดานอันวิจิตรว้ข้างบนแล้วก็กราบทูลแด่พระราชาพระราชาก็นำโพชนะมีรถเลิศออันต่างๆมาให้แก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คิดว่า เราเว้นมารดาเสียจักไม่ยอมรับอาหารคือพญาช้างนี่ก็คิดถึงแต่แม่แม่ตาบอดอยู่ในป่าไม่รู้จะไปหากินอะไรก็สงสารนะนะแม่เราไม่ได้กินเราก็จะไม่กินด้วยอย่างนี้แล้วก็ไม่รับอาหารนั้นพระระาชาเมื่อจะอ้อนวอนพระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าดูก่อนพญาช้างตัวประเสริฐเชิญพ่อรับเอาคาข้าวเถิดยาได้ผายพร้อมเลยราชกิจมีเป็นอันมาก ท่านจะต้องทําราชกิจเหล่านั้นงานยังมีอีกเยอะงั้นกินอาหารเธอะจะได้ช่วยงานกันพระโพธิสัตว์ได้ฟังอย่างนั้นก็เลยกล่าวว่านางช้างนั้นเป็นกําพร้าตาบอดไม่มีผู้นําทางคงจะสะดุดตอไม้ล้มลงตรงภูเขาจันโดรณะเป็นแน่ช้างนี่ก็นึกถึงแต่แม่ตาบอดใช่ไหมไม่มีคนนําทางเดินไปเนี่ยไม่รู้จะไปตกเหวตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ พระราชาก็ถามพระโพธิสัตว์ว่าดูก่อนพญาช้างนางช้างตาบอดหาผู้นําทางไม่ได้คงจะสะดุดตอไม้ล้มลงที่ภูเขาจันโดรณะนั้นน่ะเป็นอะไรกับท่านหรือนางช้างตัวนั้นเป็นใครพระโพธิสัตว์บอกว่าข้าแต่มหาราชานางช้างตาบอดไม่มีผู้นําทางคงจะสะดุดตอไม้ล้มลงตรงภูเขาที่ชื่อว่าจันโดรณะนั้นเป็นมารดาของข้าพระ อ, องค์ นางช้างตาบอดนั้นเป็นแม่ของข้าพเจ้าเองและพระราชาฟังแล้วก็กล่าวว่าพญาช้างนี้ย่อมเลี้ยงดูมารดาท่านทั้งหลายจงปล่อยช้างนั้นเสียเถิดพญาช้างตัวประเสริฐจงอยู่ร่วมกับมารดาพร้อมด้วยญาติทั้งหลายเถอะพระราชานั้นก็เลยคิดจะปล่อยช้างให้กลับไปอยู่กับแม่เถอดซึ่งอธิบายว่าพญาช้างนี้กล่าวว่าข้าแต่พระมหาราชาข้าพระองค์เลี้ยงมารดาตาบอด เว้นข้าพระ อ, องค์เสียมารดาของข้าพระ อ, องค์ก็จะถึงความสิ้นชีวิตเว้นมารดาเสียข้าพระ อ, องค์ไม่มีความต้องการด้วยความเป็นใหญ่เลยพญาช้างนี่บอกโอ้ไม่ได้เลี้ยงดูแม่แล้วเป็นใหญ่เป็นโตจะเป็นไปทำไม่ได้อย่างนี้แล้วบอกว่าเมื่อมารดาของข้าพระ อ, องค์ไม่ได้อาหารเป็นวันที่เจ็ดท่านทั้งหลายจงปล่อยพญาช้างที่เลี้ยงมารดานี้พญาช้างนั้นจงอยู่ร่วมกับมารดาพร้อมด้วยญาติเธอ พระราชานี่ก็ใจบุญก็เออปล่อยช้างไปให้ไปอยู่เลี้ยงแม่ดีกว่าอภิสัมพุทธกะถาคือคาถาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพญาช้างอันพระเจ้ากาสีปล่อยแล้วพอหลุดพ้นจากเครื่องผูกพักอยู่ครู่หนึ่งก็ไปยังภูเขาจากนั้นก็เดินไปสู่สระบุรีเย็นที่เคยซ่องเสพมาแล้วดูดน้ําด้วยงวงมารดมารดา ได้ยินว่าพญาช้างนั้นน่ะพ้นจากเครื่องผูกพักอยู่หน่อยหนึ่งแล้วไปแสดงธรรมแก่พระราชาด้วยทศพิตราชจะทำคาถาก็คือแสดงธรรมให้พระราชาฟังก่อนแล้วโอวาทว่าข้าแต่พระมหาราชาขอพระองค์จงอย่าเป็นผู้ประมาทเลยอันมหาชนบูชาอยู่ด้วยเครื่องสการะมีของหอมและดอกไม้เป็นต้นออกจากพระนครถึงสระบุรนั้นในขณะนั้นนั่นเอง ก็เลยคิดว่าเราไม่ให้มานาของเรารับอาหารเราเองก็จะไม่รับถ้าหากว่าไม่ให้แม่ทานก่อนนะเราจะไม่ทานเลยอย่างนี้แล้วก็ถือเอารากเง้าบัวเป็นอันมากลงไปในน้ก็เอางวงเนี่ยดึงกอบัวขึ้นก็จะติดรากติดอะไรมาก็เขย่าแกแงให้มันล้างโครนออกก็ถือเอาเง่าบัวไปเยอะใช้งวงเนี่ยดูดเอาน้านจนเต็มออกจากที่เร้นไปในถ้ำไปยังสำนักของแม่ นอนอยู่ที่ซุ้มประตูคือแม่เนี่ยนอนอยู่ที่ซุ้มประตูแล้วไปถึงก็เอาน้ําเนี่ยรดบนศีรษะเพื่อให้ร่างกายของแม่ได้สัมผัสกับความเย็นะนะเพราะแม่เนี่ยอดอาหารมาเจ็ดวันแล้วพระศาสดาเพื่อจะทรงทําชี้แจงในเรื่องนั้นจึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ว่าฝ่ายมารดาพระโพธิสัตว์นี้ก็เลยสําคัญว่าฝนตกอยู่ๆก็น้ํามารดบนตัวก็นึกว่าฝนตกะนะตาบอดมองอะไรไม่เห็น นางก็เลยกล่าวว่าฝนอะไรนี้ไม่ประเสริฐเลยย่อมตกโดยการที่ไม่ควรตกนางนี่บ่นขึ้นมาโอ้ยฝนเนี่ยมาตกอะไรหน้านี่ไม่ใช่หน้าฝนสักหน่อยบุตรเกิดในตนของเราเป็นผู้บำรุงเราเนี่ยไปเสียแล้วฝนก็ตกไม่ใช่ไม่ใช่การไม่ใช่เวลาลูกก็มานี้ไปจากอีกแล้วโอ้ยมันกลุ้มจังอะนะแม่น้ำมารดใจยังไม่เย็นอะนะดแต่กายกายผิวหนังอะเย็นล แต่ใจแม่เนี่ยังไม่เย็นพระโพธิสัตว์เมื่อจะให้มานาสบายใจก็เลยกล่าวคาถาว่าเชิญท่านลุกขึ้นเถิดจะมัวนอนอยู่ทำไมฉันเป็นลูกของแม่มาแล้วพระเจ้ากาศีผู้ทรงพระปรีชาญาณมีบริวารยศ ใ, ใหญ่หลวงทรงปล่อยมาแล้วฉันมายังสำนักของแม่แม่ลุกขึ้นเถอะรับอาหารเถึงแม่นางช่างดีใจก็ทํานุโมทนาราดเลิมใจแก่พระราชากล่าวว่า พระราชาพระองค์ใดทรงปล่อยลูกของเราตัวประพฤติอ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญทุกเมื่อขอพระราชาองค์นั้นจงทรงพระชนยืนนานทรงบำรุงเว่นแคว้นกาสีให้รุ่งเรืองเถิดครั้งนั้นพระราชาเนี่ยก็ทรงเลื่อมใสในพระคุณของพระโพธิสัตว์ทรงรับสั่งให้สร้างโรงช้างไม่ไกลแต่เมืองนิลีนิจึงทรงเริ่มพัฒนาหานไวเนืองนิดเมื่อพระโพธิสัตว์ คือตั้งอาหารไว้ให้พระโพธิสัตว์กับแม่ครั้นภายหลังพระโพธิสัตว์เมื่อมารดาทำกาละแล้วก็ทําการบริหารร่างกายของมารดาก็คือฝังมารดาเสร็จก็ไปสู่อาสมชื่อว่ากรันดกะแล้วในที่นั้นก็มีฤษีห้าร้อยลงจากภูเขาหิมะผานอยู่พระโพธิสัตว์ก็ได้ถวายประวัติทานนั้นแด่ฤษีเหล่านั้นพระราชารับสั่งให้สร้างรูปปฏิมาอันสําเร็จด้วยหินมีรูปเท่าพระโพธิสัตว์ หลังจากที่พระโพธิสัตว์สิ้นชีวิตพระราชาก็สั่งให้แกะสลักหินนะ่ะนะเป็นรูปช้างแล้วก็ให้มหาชนสการะถือว่าช้างนี่เป็นช้างที่เป็นสัตว์ที่กระตันยูรู้คุณควรที่ประชาชนทั้งหลายควรจะนับถือควรจะบูชาประชาชนชาวชมพูทวีปประชุมกันเป็นประจำปีก็ได้ทำการฉลองช้างพระาศาสดานาพระธรรมเทศนานี้แล้วก็ประกาศสัจจะ ในเรื่องนี้ยังไม่จบใช่ไหคือพระพุทธเจ้าก็เล่าชาดกเรื่องนี้ให้กับลูกของพราหมณ์เนี่ยฟังหลังจากนั้นพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่า